เกณฑ์จำแนกประเภทตะกีไหรืออริยบุคคลนั้นว่าโดยหลักใหญ่มี2วิธีคือแบ่งแบบ8และแบ่งแบบ7แบ่งแบบ8คือแบ่งตามขั้นหรือระดับที่กำจัดกิเลสได้หรืออาจเรียกว่าแบ่งแบบลบแบ่งแบบ7คือแบ่งตามคุณธรรมหรือข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงระดับหรือขั้นนั้นๆจะเรียกว่าแบ่งแบบบวกก็ได้ เกณฑ์จำแนกประเภททกินายบุคคลหรืออารยบุคคลแบบที่1ทกินายบุคคล8หรืออารยบุคคล8เกณฑ์แบ่งแบบนี้จัดตามกิเลสคือสัง่งย่อที่ละได้ในแต่ละขั้นพร้อมไปกับความก้าวหน้าในการบําเพญ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาดังนั้นจึงควรรู้จักสัง่งย่อไว้ก่อน สังโยน์แปลตามศั์ว่าเครื่องผูกหมายถึงกิเลสที่ผูกใจสัตว์หรืออกุศลธรรมที่ผูกมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ในสังสารวัฏเหมือนผูกเทียมสัตว์ไว้กับรถสังโยต์มี1ิบอย่างจัดเป็นสองกลุ่มกลุ่มละหคือกลุ่มกอโอรัมพาคิยะสังโยต์เป็นกลุ่มสังโยต์เบื้องต่าหรือขั้นหยาบมีห้าอย่างคือหนึ่งสักกายทิฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. สีลัพะตะปารามาต 4. กามราคะและ 5. ปฏิฆะพึงสังเกตว่าในบาลีทั่วไปสังโยศข้อ4และข้อ5เป็นกามฉันทะและพยาบาทเฉพาะที่สรทสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาตเป็นอภิชาและพยาบาทแต่ที่เรียนกันมาเป็นกามราคะและปฏิฆานั้น ก็เพราะถือตามคำภีชั้นรองและคำภีรุ่นอัตถกถาดีกาสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวของตนความเห็นที่ยังติดแน่นในสมมติว่าเป็นตัวตนเราเขาเป็นนั่นเป็นนี่มองไม่เห็นสภาพความจริงที่สัตบุคคลเป็นเพียงองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้าทำให้มีความเห็นแก่ตัวในขั้นหยาบและความรู้สึกกระทบกระทั่งบีบคั้นเป็นทุกข์ได้รุนแรงวิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัยเคลือบแคลงต่างๆเช่นสงสัยในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในเรื่องที่มาที่ไปของชีวิตในปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นทำให้ไม่มั่นใจไม่เข้มแข็งกล้าวกล้าที่จะดำเนินชีวิตตามหลักธรรมด้วยความมีเหตุผลและในการที่จะเดินหน้าแนวดิ่งไปในอรยะะิยมรรคศีลพตะประารามาต คือความถือมั่นศีนพลพรตคือความยึดถือผิดพลาดไปว่าจะบริสุทธิ์จะหลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและพรตได้แก่การถือศีลระเบียบแบบแผนบทบัญญัติและข้อปฏิบัติต่างๆโดยสักว่าทำตามๆกันไปอย่างงมงายเห็นเป็นขลังหรือศักสิทธิ์ติดอยู่แค่รูปแบบหรือพิธีรีตองก็ดีถือด้วยตัณหาและทิฏฐิคือปฏิบัติเพราะอยากได้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพราะเห็นว่าจะทําให้ได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็ดีไม่เป็นไปตามความหมายและความมุ่งหมายที่แท้จริงของศีลและพรตทําให้เคเวอออกนอกลู่นอกทางหรือเลยเถิดไปเป็นอย่างศีลและพรตของนักบํเบาเพ็ญตบะเป็นต้นไม่เข้าสู่อริยมรตการมาราคะคือความติดใคร่ในกามความอยากได้ไยหาในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสและโภตพภะที่ชอบใจปฏิฆะ คือความกระทบกระทั่งในใจความหงุดหงิดขัดเคืองหรืองุนง่านใจส่วนสังโยช์กลุ่มขออุดธรรมภาคิยะสังโยช์เป็นกลุ่มสังโยช์เบื้องสูงหรือขั้นละเอียดมีห้าอย่างนับต่อจากกลุ่มกอคือ 6. รูปราคะ 7. อรูปราคะ 8. มานะ 9. อุทธัจจะและสิบอวิชชา รูปราคะคือความติดใจในรูปธรรมอันประณีตเช่นติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานพอใจในรสความสุขความสงบของสมาธิขั้นรูปฌานติดใจปรารถนาในรูปภพเป็นต้นอรูปราคะคือความติดใจในอรูปธรรมเช่นติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานติดใจปรารถนาในอรูปภพเป็นต้น มานะคือความถือตัวความสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่เช่นว่าสูงกว่าเขาเท่าเทียมเขาต่ำกว่าเขาเป็นตน้นอุททัต จ, จะคือความฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบว้าวุ่นสัดสายคิดพลานไปอวิชชาคือความไม่รู้จริงไม่รู้เท่าทันสภาวะไม่เข้าใจกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลหรือไม่รู้อริยสัจ